เที่ยวแสวงหาแต่ความสุขความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะมันจะทำลายอะไรทำลายกรรมวิตกได้นะทำลายการที่ใจไ่ตึกแต่เรื่องกรรมไม่อยู่ในวงมรรคเหมือนกันนะสีลข้อส่ล่เราไม่พูดเท็จนานไปนานไปเราได้สัจจะนะมีสัจจะมีบารมีนะสัจจะอยู่ในบารมีสิบข้อ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 รัตติระลึกรู้รูปธรรมจะเห็นรูปธรรมไม่ใช่ตัวเราเมื่อไหร่จิตใจเราตั้งมั่นอยู่นะสติระลึกรู้นำมาทำทั้งหลายเช่นความสุขความทุกข์กุศลและอกุศลทั้งหลายก็จะเห็นว่านามาทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างเดียวกันนั่นเองไม่มีตัวเราในรูปธรรมและนามาทำทั้งหลายภาวนาแทบตายก็เพื่อตรงนี้แหละเพื่อให้จิตมันได้เห็นความจริงเรื่อยไปรูปธรรมก็เป็นแค่วัตถุก้อนธาตุนะ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 จิตมัรู้มักผลเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่รอบเหมือนต้นข้าวออกรวงเองนะเมื่อชาวนานะั้นะดูแลต้นข้าวได้ดนะีนั้นเราในมีหน้าที่นะชาวนาน้อยๆทั้งหลายชาวนาในใจของเรานะไม่ใช่ชาวนาบนหลังคนนะเนะี่ยรักษาต้นข้าวของเราไว้ให้ดนะีรักษาจิตของเรานะค่อยๆ อ, อบรมไป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 เพ่งมันะเพ่งเพ่งระเบิดเปรี้ยงโอ้ใจหลุดออกมาโล่งวันนี้ภาวนาดีอีกวันนึงเข้าไปเกาะอีกแล้วเพ่งใหญ่เพ่งยังไงก็ไม่ระเบิดโอ้วันนี้ภาวนาไม่ดีอีกวันนึงเอาใหม่เพ่งไม่ระเบิดเลยเฉือนมันเป็นชิ้นชิ้นเฉือนเฉือนเฉือนไอ้ก้อนนี้นะเฉือนเหมือนเรามีมีดแล้วตัดมันไปเรืยมันบางบางบางหายไปแป๊บโอ้วันนี้ภาวนาดีนะดีก็ไม่ดีบนอยู่แค่เนี้ยโง่โงเนี่ยดูสิพาอนาอยู่อย่างเนี้สามเดือนนะ